การอยู่ด้วยกันมันต้องมีผู้น้อยมันต้องมีผู้ใหญ่จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่ทำเอาใจตัวเองชอบถ้าทำเอาจใจตัวเองชอบแล้วผู้น้อยจะเดินตามหลังได้ยังไงผล้ในสุดก็มาก็ไม่ว่าอะไรไม่มาก็ไม่ว่าอะไร ผลในสูดใครจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้และมันจะเป็นวัดวาศาสานาไปได้อย่างไรมันต้องมีผู้น้อยมันต้องมีผู้ใหญ่พูดอย่างไรมันต้องปฏิบัติไม่มาก็ต้องมีเหตุผลไม่มาเพราะอะไรเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายถามไม่มาเพราะอะไรทําไมถ้าเราไม่มาเราเออเอาวันให้เราไม่ไหว เ่เราอายุก็มากแล้วภาระของเราก็มากเราขอพักก่อนวันไหนเมื่อมีโอกาสเราก็จะต้องลงมาเพราะว่าอายุของเราจะเข้าเจ็ดสิบแล้วอายุของเรามากแล้วสุ่ยเจ้าไม่มาก็ต้องมีเหตุผลเพราะอะไรหลือเบื่อ เบื่อในการประชุมก็ต้องบอกหมูสิต้องมาพูดกับเราสิเพราะเราเป็นผู้ใหญ่หลวงพ่อเป็นผู้ใหญ่ในวัดนี้จะทําอะไรโดยพระการไม่ได้จะทําอะไรโดยพรากา ร, อ, ร, ย ร, าการอย่าอยู่อยู่ทําไมเมืองไทยมัน มีแต่วัดป่านะคำน้อยเท่านี้เหรอที่ตั้งกว้างขวางประเทศไทยไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในเมืองมาอยู่ที่นี่นก็ต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในระเบียบต้องมีผู้น้อยผู้ใหญ่บอกว่าเออเอาในช่วงนี้พระนว ก, กะที่เข้ามาอยู่ด้วย วควรจะเป็นตัวอย่างเพราะมันก็ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็ไหวพระสวดมนต์าฟังเทศเพื่อเป็นการอบรมเป็นตัวอย่างของพระลูกหลานอนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหน้าหรือมีอะไรหลวงพ่อครับ ผมฟังเทศหลวงพ่อทุกวันผมจะขอเปลี่ยนเป็นองค์อื่นได้ไหมเราก็ไม่ไดว่าจะเปลี่ยนองค์อื่นก็ได้แต่นี่ที่พวกที่เราให้มาเปิดให้ฟังของเราฟังเราก็มีเหตุผลเพราะว่าพระที่เขามาศึกษาเนี่ยเข้ามาเพื่อศึกษาในวัดของหลวงพ่อเราจะไปฟังองค์อื่นองค์อื่นก็ฟังได้ หลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้ฟังได้ทั้งนั้นแหละแต่ขณะที่มาฟังเข้ามาศึกษากับหลวงพ่อควรจะฟังเรื่องของหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรในขณะที่หลวงพ่อพูดและก็ฟังเพื่อการศึกษาเพราะเราเข้ามาศึกษาในวัดของหลวงพ่อ ถ้าหากว่าอยากจะไปศึกษาที่วัดเอินก็ไปได้ก็ไม่มีอะไรไม่ต้องเข้ามาแต่ทีแรกแต่เมื่อมติลงมาแล้วว่าจะเข้ามาศึกษาที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะต้องรับเป็นภาระในการแนะนำสั่งสอนถึงหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อก็ให้ MP3 สที่หลวงพ่อได้พูดได้แสดงให้แก่ใครต่อใครฟัง มาแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อพระหลูกพระหลานที่เข้ามาเพื่อการศึกษาแต่ส่วนกลางคืนธรรมเทศนาของหลวงตาก็อรองรับอยู่แล้วเราจะฟังเสียงหลวงตาก็ได้ตลวงพ่อก็ได้ทําให้ฟังเสียงหลวงตานะกลางคืนนะตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปเรานั่งฟังนั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมเทศนาของท่าน ท่านจะอบรมเรื่องพระเรื่องการปฏิบัติภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นแนวปฏิบัติที่ลึกซึ้งแต่สำหรับหลวงพ่อหลวงพ่อจะพูดในแนวพื้นฐานในการเดินในการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าีพระน้อยพระหนุ่มถึงครูบาอาจาร ที่มีอายุพรรษาอยู่ด้วยกันอ ย, ยอยู่ด้วยอยู่ัวอย่างไรอันนี้ก็มันต้องอยู่ในกฎระเบียบพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วแล้วก็ในเมื่อเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราจะเป็นเป็นแนวความคิดขึ้นมาาเออ พัรมวินัยหรือกฎระเบียบของครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนน่ะเป็นแนวทางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะได้เป็นปัจจุบันแต่เมื่อลุงพ่อมีโอกาสลวงพ่อให้แนวความคิดเสริมเขาอีกว่าในขณะที่พวกเรามาอยู่ความคิดหรือแนวความคิดของพระพุทธศาสนา ในความคิดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรจะมีการวิธีการทาอย่างไรจึงจะพอเหมาะในการดำเนินชีวิตของพวกเราและดำเนินในการเป็นอยู่ของพวกเราเอาหลักธรรมะนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันในการเป็นอยู่ในช่วงนี้ อันนี้หลวงพ่อก็ถือว่าหลวงพ่อก็คิดว่าหลวงพ่อเกิดมานานมองโลกในแงด่ดีแล้วก็เห็นหลายมุมมองหลวงพ่อก็จะแสดงความคิดเห็นให้แก่ลูกหลานแล้วก็พระหมู่พกเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นถูกไหมอย่างนี้ถูกต้องไหมอันนี้ลือหลักธรรมพีนายท่านสอนไว้อย่างนี้นะ แต่พวกเราจะเดินยังไงมันจะเข้ากันได้ไหมหลักนี้ถูกต้องไหมเรื่องอย่างนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้แนะแนวให้แก่พวกเราแต่ว่าจุดยืนหรือว่าจุดพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าท่านมีจุดยืนอย่างนี้นะอันนี้คือจุดตายตัวขยับตัวไม่ได้แต่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ ท่านได้ศึกษาตามแนวแถวพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้อย่างนี้ไว้นะหลวงพ่อจะนําทั้งในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่าพระสงค์สาวกในครั้งพุทธกาลอันนั้นคือพระไตรปิฎกแต่จากนั้นมาก่อนเนี่ย ก็คือแนวความคิดของธรรมะลิขิตประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์หลวงพ่อได้ศึกษาได้อ่านแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ด้วยกับท่านโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งยังของหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อไปอยู่ด้วยแล้วก็หลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาที่ท่านแนะ น, นําสั่งสอน จากกันนั่นก่อนไปอยู่กับจำพรรษากับครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่แหวนแนวทางท่านปฏิบัติอย่างไรพิธีการเดินพิธีการดาเนินชีวิตประจำวันของท่านแต่ละองค์ท่านแต่ละองค์ท่านเดินอย่างไรท่านทําอย่างไรพวกลูกหลานก็เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังก็ขึ้นมามาเจอแต่หลวงพ่อหลวพ่อก็ได้นําแนวแถวที่ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกส่วนหนึ่ง แล้วกันได้นำแนวความคิดที่หลวงพ่อได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ติดเป็นลำดับเป็นระยะหลายปีแนวความคิดของท่านกับกิริยาของท่านการแนะนำสั่งสอนของท่านการดูด่าว่ากล่าวของท่านการปกครองสงของท่านสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้นามาบอกกล่าว ให้แกพวกเราท่านทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายที่มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยที่บอกว่าข้าหากว่าไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในระเบียบไม่พอใจอยู่ทำไมอันนี้คือคำพูดของหลวงตามหาบวัวหลวงตาท่านพูดอย่างนีเ้เพียงท่านเชอรี่ไม่มาประชุมเพียงวันเดียวท่านบอกว่าท่านเชอรี่ไปไหนวันนี้บอกว่าท่านท่านชริรีไม่ได้มา ม่นมาเพราะอะไรเราไม่ได้ใช่มาประชุมทุกวันนะนานทีเราจึงมาประชุมยังขาดประชุมได้อยู่หรือแต่ขณะเราเรามาพูดก็ยังมาแต่พวกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายมาฟังเท่านี้ยังคิดเป็นอย่างอื่นอยู่หรือสมควรแลวเหรอือสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้นำทำคำสอนของ องลงตาเพราะเราเข้าไปอยู่ศึกษาต้องดูหมดทุกอย่าง <c oughs> ความเสียบขาดของท่านอย่างไรถ้าอยู่แบบ <c oughs> ไม่พร้อมเพียงสมัมมาเีกันแล้วจะอยู่ทำไมอยู่เพื่ออะไรหวังอะไรจะหวังหามงคลจากอะไรจะได้มงคลมาจากที่ไหนการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องเนี้ย เป็นศีลเป็นธรรมต้องมีเหตุมีผลมาหรือไม่มามีเหตุผลอะไรถ้าไม่มีเหตุมีผลอยู่ทำไมอยู่ไปเพื่ออะไรต้องมีคำตอบเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายนะจำเอาไว้ในเมื่อพวกท่านเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้า ถ้าทำเลาะเลาแหละใครจะทำอะไรก็ได้นะไม่มีกฎไม่มีระเบียบการอยู่ด้วยกันจะอยู่ได้อย่างไรต่อไปต่อมาก็นั่นแหละเหยียบหัวกันไม่รู้จักพระที่เป็นหัวหน้ามไม่พระลูกน้องไม่มีสูงไม่มีต่ำผลที่สุดก็นั่นแนหะขาลดพลเปไปหมด มันอ น, นั้นไม่ใช่พุทธศาสนานะไม่ใช่ทมคาสอนของพระพุทธเจ้านะพวกเราอ่านดูนสิศึกษาดูสิในพระไตรปิฎกในทำคาสอนในการปกครองของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ท่านอยู่กันอย่างไรต้องอยู่ในเป็นกฎกฎเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะอยู่ไปเพื่ออะไรหวังอะไรหวังอยู่หวังกินหวังเพียง อยู่เฉยๆเป็นวันๆอย่างนั้นใช่ไหมไ่อหวังอะไรสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ในธรรมคำสอนอยู่เป็นพระสงฆ์สากะยะบุตรพวกท่านทั้งหลายต้องคิดทางนั้นอยู่แบบเลื่อนๆเลยลอยอยู่แบบไม่มีจุดหมายปลายทางจะอยู่อย่างไร ดนี่ละเพียงการอยู่ด้วยกันยังไม่พร้อมเพียงสมัครกีกันยังไม่ถามถ่ายกันไปยังไงมายังไงเพียงแค่นี้ก็ยังมีปัญหาและส่วนทางด้านจิตใจแล้จะจะภาวนาทําจิตใจให้สงบนั้นจะทำยังไงแต่ขนาดนี้ก็ยังรู้รู้กันอยู่ เห็นเห็นกันอยู่ก่อนที่จะลาฟร่นไปได้นะมันก็ต้องไปตั้งแต่ิจะวัดข้อวัดไปตั้งแต่การเป็นอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันมีอะไรมันต้องไปตั้งแต่นี่แหละมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันเป็นพื้นฐานมีอะไรไม่สบายอะไรเก็บไข้ได้ป่วยอะไร มีปัญหาอะไรมันจะต้องได้พูดกันถ้าไม่มีอะไรทำไมมันต้องหาเหตุผลอีกเนี่ละพระลูกพระหลานทั้งหลายการปกครองหรือการเป็นอยู่ของฝ่ายพระสงฆ์ถ้าจะว่าเหี้มก็ใช่ถ้าจะว่ากดใช้กฎหลักพระธรรมวินัยก็ใช่ แต่องคไหนจะกล้าใช้ท่านเองแต่สําหรับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มีคําว่ารูปหน้าปะจมุกแต่อยู่คนเดียวหลวงพ่อพร้อมที่จะอยู่อะถ้าว่าหาพูดที่จะเอดําลงทรงศาสนาไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้ไม่น่าอยู่เอาหนีฮหลวงพ่อจะอยู่คนเดียว่ะหลวงพ่อจะอยู่คนเดียวหลวงพ่อจะอยู่ได้อย่างไงอยู่ไงโอ้ยมีวิธีการเอ เพ อ, เพอปิดประตูรั้วใส่กุญแจไม่ให้คนเข้ามาน่อยู่คนเดียวมันไปยากอะไรแต่อยู่ก็ต้องหมู่อยู่ด้วยกันจะไปมากขี้ควายหลายขี้ช้างได้ยังไงต้องมีคุณภาพต้องมีศักยภาพทุกองต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินัยจะไปอยู่ได้เด่นด้าน่ะไม่ได้รับไม่ได้ นี่แหะพวกเราทุกๆองค์ผู้จะอยู่ตลอดไปก็ตามผู้จะลาสิกขาก็ตามพวกท่านทั้งหลายต้องคิดไปอยู่นสถานที่ใดอย่าให้หัวหน้าหนักใจที่ท่านเป็นหัวหน้าเราเราต้องมีเหตุผลต้องบอกกล่าวมีอะไรจะไปอ ย, อยู่แบบแข็งทื่อๆท่าๆจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มา ตามอำเภอใจของตนเองไม่ใช่วัดของของเราเนี่ยผู้ที่ท่านเป็นหัวหน้าเน่ยท่านจะหนักใจอย่างไรพวกเราได้คิดไหมถ้าทำไห้ท่านหนักใจนะเลยแล้วจะไปอยู่ทำไมวัดมันทั้งประเทศไทยทั้งกว้างขวางแล้วจะอยู่ทำไมละหวังอะไรพวกเราท่านทางลายนี่แหละ มาเพื่อมาเพื่อการศึกษาเราจะเรียนได้เรียนรูรนะ้เรื่องกฎระเบียบเราให้ศึกษามาศึกษาเอาแต่สิ่งที่ดีเอาไปนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งที่มันไม่ดีอย่านำไปเอาไปก็ไม่เกิดประโยชน์ที่หลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนมแมลงผู้มแมลงผึ่ง มแมลงผู้มแมลงพึ่งไปหาเกรสรดอกไม้พึ่งที่มันฉลาดมันก็ไปเอาแต่ดอกไม้ดอกเกรสรดอกไม้มาทํามาเลี้ยงรวงหลังของมันแต่พึ่งงานที่มันโง่มันเซอรมันก็ไปกัดเอากระพี้บ้างใบไม้แก่บ้างเอามาใส่ลวงหลังตัวเองทําให้ลกลุงหลังเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์นี่ก็เหมือนกัน พวกลูกหลานพวกใครก็ตามมาเพื่อการศึกษาต้องเรียนรู้ว่าวิธีการปกครองของพระสงฆ์นี่นเป็นยังไงปกครองหลวงพ่ออินนี่เป็นยังไงหลวงพ่ออินในใจดีไหมหลวงพ่อไม่ใจดีแล้วไ ม, ไม่ไม่ดุไม่ดุไม่ใจดีอีกต่างหากหลวงพ่ออยู่ในหลักเหตุผลนี่เห็นหลักเหตุผลของหลวงพ่อในอย่างนี้ต้องปกป้องหลักธรรมคาสอน ต้องปกป้องหลักพระธรรมพินัยต้องปกป้องแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรใช่สมัยเมื่อท่านอายุมากนะแปดสิบเกท่านก็ปล่อยปละละเลยท่านก็ไม่ดุด่าว่ากล่าวพระสงฆ์ก็อยู่แบบสบายสบายแบบเดินเด่นดานๆแต่หลวงพ่อเนี่ยเข้าไปอยู่ในช่วงที่ท่านกําลังเข้มงวดกวดขันท่านติวเข้มแต่ละวีแต่ละวันหลวงพ่อเขาไปอยู่ในช่วงนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงยึดในช่วงนั้น มาปกครองมาดูแลพระสงฆ์ลูกน้องของหลวงพ่อแต่ต่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อหลวงพ่ออายุมากแล้วหลวงพ่อก็จะต้องปล่อยปากแล้วเลยเหมือนกับท่านเหมือนกันไม่ไหวพูดไม่ไหวเพราะมันเหนื่อยพูดไม่ได้ต้องปล่อยเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปวันวานมันก่อนแต่ยิ่งแต่ปากของท่านท่านก็อยากจะพูดท่านอยากจะคุยอยากจะพูดให้ฟัง แต่เราก็พยายามดูปากเอาหูไปจ่อใกล้ๆท่านท่านก็พูดมามามามมมได้ยินไม่ได้ยินเสียงเสียงไม่ออกอันนั้นก็ว่าหมดเสียงแล้วอายุมากไล้จะทำยังไงหลวงพ่อเนี่ยก็คงจะลักษณะอย่างนั้นเดินไปตามแนวแถวสายนะั้นแต่ขณะนี้หลวงพ่อยังมีเสียงอยู่ยังพร้อมพี่จะดุด่าว่ากาวได้ใครเป็ดใครถกทำไมเพราะเหตุอะไรมีเหตุผลอะไร ก็พร้อมที่จะมาพูดให้หลวงพ่อฟังได้หลวงพ่อฟังปกครองด้วยหลักเหตุผลเป็นประชาธิปไตยถ้าไม่มีเหตุไม่มือผลแล้วก็นั่นอย่าอยู่นะหนีอยู่ทาไมพิธีการอยู่ทาไมหนักวัดหนักวัดหลวงพอ่อหนักไปหนักที่อื่นอย่ามาหนักวัดที่นี่มันไม่ใช่หนักวัดมันหนักหัวใจ ที่เป็นหัวหน้าหนักหัวใจที่เป็นหัวหน้าที่เป็นผู้ปกครองเพราะนั้นหลวงพ่ออยู่ในสถานที่ใดหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะตับตัดน้าเปิดทางตนเองนะอยู่กับหลวงปู่ล่าเขาไปหากระถั่นก็ได้อยู่กับหลวงตาหลวงพ่อเขาไปหาเหมือนกับลูกเขาไปหาพ่อมีอะไรก็เข้าไปหาท่านได้ปรึกษาท่านได้ไปอยู่กับกูบายอาจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อไม่เคย ให้ท่านหนักใจมีอะไรช่วยที่จะเกิดประโยชนต์ต่อวงกา ร, พ, รพุทธศาสนาต่อวงการต่อวัดวาศาสนาต่อองค์ขององค์ท่านในเมื่อมาอยู่ตนเองหลวงพ่อก็ยึดแนวแถวที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติกับพ่อแม่กูบายจารทําตนอย่างไรในการเข้าไปหาท่านแลวทาตนอย่างไร ในเมื่อท่านปกครองพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านปกครองพระสงฆ์อย่างไรสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้อยู่กับครูบาอาจารย์มามากทีเดียวแต่งตัวอายุสิบเอ็ดปีจนเกือบสี่สิบปีอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ดังออกจากท่านมาแล้วหลวงพ่อมาสร้างวัดเลยมาอยู่ที่นี่เลยไม่ใช่มาสร้างแต่มาหลบมาอยู่มาภาวนาอยู่ตามลําพังแล้วเราจะอยู่ที่นั่นต่อไปกันเดี๋ยวองค์อื่นเข้ามาน้ําใหม่ไหลเข้าน้ําเก่าไหลออกเราก็มาอยู่ที่นี่จากนั้นกันเราก็เข้าไปมาหาสูไปกราบไปไหว้เคารพสักการะเอไม่ได้ห่างเหินท่านก็มาเยี่ยมวัดเราบ่อย เรามาอยู่ที่นี่ถาวอนวัตถุที่เราสร้างขึ้นมาเนี่นเนี่ยแหละกำแพงบงังสระน้ำบังท่านให้มาตั้งเยอะแยะเขื่อนฝ้ายน้ําร้อนบงังสิ่งเหล่านีนะ้ที่ท่านให้มาล้วนแล้วจะเป็นบุญคุณขององค์หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นทางด้านวัตถุเราไม่ได้หนักใจ ไม่หนักใจการเป็นอยู่พอเป็นพอไปเพราะเราอยู่อย่างพระปัจจัยสี่เราอยู่อย่างพระเราไม่หนักใจมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยไม่มีเราไม่ใช้เ น, นี่คือพระแต่ได้มาโดยเป็นธรรมมามากเอออันนั้นเราต้องคิดช่วยเหลือชุมชนสังคมต้องแบ่งต้องคิดวิธีหาวิธีการแบ่งเราจะแบ่งให้ใครบ้าง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ในวัดด้วยใช้ข้างนอกด้วยที่ได้มาโดยเป็นธรรมนี่แหละอันนี้คือปัจจัยสี่แต่จริยังไงพวกพระทั้งหลายนะน้อยพระหมอทั้งหลายนะต่อไปพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่การปกครองการดูแลการบริหารจัดการแต่บางเรื่องบางราวมันก็ต้อง เข้มงวดขวดขันเด็ดขาดในคราวที่จะต้องเด็ดขาดก็ต้องเด็ดขาดต้องยืดหยุ่นต้องยืดหยุ่นตรงมีเมตาตาตรงมีน้ำใจมีเมตตาด้วยมีน้ำใจด้วยมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยแต่มันไม่ดีจะทำยังไงในเมื่อเราเป็นมะเร็งในแขนของเรานิ้วมือของเราเป็นมะเร็ง ฝ่ามือของเราเป็นมะเร็งขาของเราเป็นมะเร็งเราจะทําไงเราจะาไว้อย่างนั้นใช่ไหมหรือตัดทิ้งถึงข่าวตัดมันก็ต้องเลยตัดจําเป็นต้องตัดเพราะอะไลเพราะว่าเป็นมะเร็งแต่ถ้าราาักษามีโอกาสที่จะรักษาได้อจะรักษาได้เอาจะไปตัดทําไมตัดแล้วมันเสียหายเราต้องรักษาให้หายสิ่งเหล่านี้มันก็ พวกเราต้องได้คิดผู้เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องคิดเพราะนั้นหลวงพ่อเองสอนวิชาให้แก่พร ะ, ะลูกน้องดัวยวพระลูกพระหลานทั้งหลายที่มาศึกษาหลวงพ่อสอนวิชาอสอนวิชาความรู้เบื้องพื้นฐานเรื่องหลักพระธรรมวินัยสอนเรื่องหลักพระธรรมวินัยสอนกฎหรือสอนระเบียบ จนสอนพิธีการปกครองการบริหารจัดการตลอดถัง้งแเมื่อเป็นต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเป็นสมพารเจ้าอาวาสระว่างตัวยังไงจัดการยังไงหลวงพ่อเนี่อ่านฟังหนูนสิในี่3เอ็มพีสามหลวงพ่อหลวงพ่อคิดว่ามันอยู่ในน้ำหมดไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนได้จะสอนละเอียดละเอียดถี่ถ้วนหลวงพ่อนปนผสมประสาน มันเลือกอะไรตัวมิอะไรเอามาเข้ามาองค์นั้นบางองค์นี้บางที่ได้ศึกษาและผลักพระธรรมวินัยด้วยแล้วมีประสบประการณ์ด้วยแต่ว่าผิดพลาดไหมหลวงพอ่อจะถามว่าบางครั้งยอมรับมีอยู่มีอยู่พอเราละหลวมเกินไปเราก็คิดว่าเออพ่อแม่ครูบาอาจารย์เน่ย ท่านเข้มงวดขวดขันเกินไปในจุดนั้นในเมื่อเราเป็นเจ้ า, าว่าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราควรจะยืดหยุ่นจุดนั้นลงเพื่อจะให้ลูกน้องของเรามีความสามารถในการบริหารจัดการในการดูแลพอที่ไหนได้พอปล่อยปล่อยวางวา ง, วางละมือเท่านั้นแ่ะโอ้โหมันเหมือนกับอะไร เหมือนกับลิงยนไม่กลัวโซเท่านั้นเนี่ยไม่กลัวแทะพังนั้นใช่อ่มันกระโดดโล ด, ดเต้นออกไปออกนอกรูนอกทางเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไมได้มันต้องเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องปฏิบัติอย่างนี้แ้่าถามว่าต่อไปภายภาคหน้าละเป็นจะเป็ น, ปนยังไงอันนั้นไม่มีปัญหาขอให้พระเนรอยู่ในหลักพระธรรมวินัยที่จะไปเยิดเจริญที่ไหนก็จเจริญ เดิอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าหาว่าไม่จเจริญอยู่ที่นู่ น, นออกไปนอกวัดของเราก็เป็นผูมมีหลักมีกฎมีเกณฑ์อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในศีลจีลาจารวัตอันนั้นเราเป็นที่พอใจไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ต่อหน้าของเราจะดีทุกองไม่ใช่เราไม่ได้มุ่งหวงังอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในโลกขอให้เป็นพระดีมีศีลธรรมมีจริยธรรม อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยมีฮิริอตปะมีความละอายแก่ใจมีฮิริคือความละอายแก่ใจอดตปะคือความกลัวต่อบาปเป็นสากยบุตรที่แท้จริงอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเราพอใจแล้วเพียงแค่นะั้นถ้าหากว่าออกไปอยู่ภายภาคหน้าไม่มีความละอายเป็นพระอารัชี อรจิตตาเป็นผู้ไม่มีละอายไม่มีอย่างอายต่อหลักพระธรรมวินยัยอันนั้นใช้ไม่ได้ เ, เนี่แปลว่าหลวงพ่อสอนพระสอนเอีองแปลว่าเปล่าประโยชน์จริงๆหลับไฟก็ไม่เกิดประโยชน์มากขี้ควายหลายขี้ช้างเผยแล้วมันวัดป่านาคําน้อยของเราเนี่ยเป็นโรงบ่มบ้าเนี่ยบ่มดูข้างนอกเข้ามาเนี่ยบ้าก็ไม่แก่เท่าไหร่พอมาอยู่ที่นี่หลวงพ่ออินบ่ม บ้าให้สุกเลยใช่ไหมสิ่งที่ไม่มีก็มีสิ่งที่ไม่เกิดก็เกิดสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดก็เกิดมันบ่มออกไปจากวัดป่านาคำน้อยตรวงพ่ออินเป็นหัวหนา้าลงบ่มบ้าบ่มบ้าให้สุกใช่เหมือนกับ่มบ่มกล้วยอย่างนั้นะบ่มกล้วยทําไงเอาบ่มากล้วยมาแล้วก็หาอะไรคุมบ่มให้มันสุกเนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มาแล้วกันหนะลวงพ่อ เอามาแล้วมาบ่มบ่มบ้าให้สุกในวัดเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าวัดป่านาคำน้อยจะเป็นผกหัดดัดนิสัยอย่างเดียวนะพวกท่านทั้งหลายนะเเผลอๆจะเป็นลงบ่มบ้านหะบ้าให้เกิดในวัดนะเอาวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกรูปแบบหนึ่งอตอนนี้ไปนั่งสมาธิเลย